เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมหรือจุดหมายปลายทางของเกิดของการเดินทางธรรมนี้ก็คือการไม่มีอะไรดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านิบานังปรมังสุญญงนิบบานังป ร, ม, งงบบงปรมังสุขขัง การไม่มีอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งก็คือพระนิพพานที่ปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อพระนิพพานพระนิพพานก็คือนิพพานังปรมังสุญอย่างนิพพานังปรมังสุขขังการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะการมีอะไรนี่มันเป็นความทุกข์นั่นเอง ทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าสัพเพสังขาราทุกขารสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยงนั่นเองมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาทุกเพราะว่าเราไม่สามารถไป ยึดเอาไว้สั่งเอาไว้ดึงเอาไว้เก็บเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือให้เราละทุกอย่างสละทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีอะไรเลยแล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งให้สะละลาบยศจลเสริญ สละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะสละรูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาสละธรรมารมแล้วเราจะได้สิ่งที่เราไม่คาดฝันกันแทนที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะได้ความทุกข์กลับเป็นได้ความสุขการที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะมีความสุข กลับมีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่พุทธชนธรรมดาจะไม่เข้าใจจะมองไม่เห็นปุทธชนธรรมดาอย่างพวกเรานี่จะมองว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งทุกคนจึงขวนขวายกัน แสวงหากันสะสมกันสร้างกันสร้างราบยศสรรเสริญสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆมาไว้เป็นสมบัติของตนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับราบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ ท, ทุกข์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกข์กับธรมารม เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้นั่นเองมองไม่เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่นักปราดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายเท่านั้นที่จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นความทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถครอบครองไว้เป็นสมบัติได้ตลอดเวลาจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดนี่แหละคือ เป้าหมายของการปฏิบัติคือการสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดอย่างที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์ให้สล ะ, ะอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อรักษาความว่างความไม่มีนี่เองถ้ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยังไม่ถือว่าว่างถ้ามีพราะจำเป็นยังต้องมีอยู่ หรื อ, อยังไม่สิ้นสุดยังไม่หมดไปเช่นร่างกายนี้ยังมีอยู่ยังไม่ตายไปก็ต้องไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายถ้ามีทรัพย์เช่นมีที่ยังมีอยู่ก็ต้องไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์นั้นไม่ถือว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือไม่ถือว่าทรัพย์นั้น จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันหมดสิ้นจะให้ความสุขกับเราจะไม่ถือแต่ถ้ายังมีความติดต่อกันอยู่ยังติดกันอยู่เช่นร่างกายนี้ยังติดอยู่จิตยังติดอยู่กับร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านได้สละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้ว ตอนที่ท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานใจของท่านนี้ไม่มีความผูกพันไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายแต่ร่างกายของท่านนี้ยังไม่ตายท่านก็อยู่กับร่างกายนั้นต่อไปแต่ไม่มีความคิดผูกพันไม่มีความคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่มีความคิดว่ามันจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับความเป็นจริงคือธรรมชาติของมันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่คิดจะไปยับยั้งมันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปใจไม่มีความอยากที่จะให้มันหายหรืออยากที่จะให้มันไม่หายมันจะหายก็เป็นเรื่องของมันมันไม่หายก็เป็นเรื่องของมัน มันจะอยู่ก็เป็นเรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเป็นสิ่งของต่างๆทรัพสมบัติต่างๆเช่นลาบสักการะต่างๆที่ศรัทธายาิโยมถวายให้กับท่านท่านก็ไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของท่านไม่อาศัยมันให้ความสุขไม่เอาไปซื้อสิ่งต่างๆ อย่างที่ผู้เป็นปุตุชนธรรมดายังซื้ออยู่ซื้อเพื่อให้ความสุขแต่ท่านไม่ซื้อไม่เอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะว่าใจของท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากการใช้เงินใช้ทอง ซื้อข้าวซื้อของต่างๆนั่นเองใจของท่านว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจของท่านเป็นปรมังสุขขังมีความสุขที่สูงสุดคือบรมสุขจึงไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทองเพื่อที่จะซื้อความสุขต่างๆอย่างปุถุชนธรรมดา ที่ยังไม่มีความสุขภายในใจจึงต้องอาศัยเงินทองซื้อสิ่งต่างๆเพื่อให้ความสุขแต่กลับไม่รู้ว่าเป็นการซื้อความทุกข์ให้กับใจเพราะเหมือนกับการซื้อสิ่งเสพติดต่างๆนั่นเองซื้อยาเสพติดเพราะว่าเวลาเสพแล้วมันจะต้องเสพไปเรื่อยๆ ขาดไม่ได้เวลาที่ขาดเงินขาดทองไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์มากทรมานใจมากหรือเวลาที่ร่างกายที่เคยอาศัยที่ใช้อาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นก็จะไม่มีความสุขจะไปดูไปฟังไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปดื่มไปรับประทานอะไรก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายไม่พร้อมร่างกายอาพาสไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจที่ จะใช้ร่างกายให้หาความสุขต่างๆมาให้แก่ใจได้นั่นเองนี่แหละคือเรื่องของปุตุชนกับพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าและพระอราหันต์มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันปุตุชนนี้ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่ เพราะว่ายัางเห็นว่าการมีสิ่งต่างๆเช่นมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกิรลดพทธะมาบำรุงบำรอจะให้กับความสุขกับตนแต่เป็นความสุขปลอมนั่นเองคือเป็นความสุขเดียวเดียว แล้วก็จางหายไปแล้วก็สร้างความอยากหาความสุขนั้นอีกก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆและเวลาใดาที่ไม่สามารถหาความสุขเหล่านั้นได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความคิดของปุถุชน คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบแต่ความเห็นของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าของพอระอรหันต์นี้ท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ท่านจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตพอท่านสละได้หมดท่านก็ได้นิพพานขึ้นมาได้ความว่างได้บรมมาสุขนี่คือการปฏิบัติเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ เป็นความสุขที่ถาวรพวกเราต้องคำนึงถึงการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่มีอะไรไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มีสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งนี้เช่นพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างละเอียดจะทำบุญทําทานจะรักษาศีลก็ผู้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งตอบแทนทำบุญแล้วก็อยากจะร่ํารวยอยากมีอายุยืนยาวนานตายไปก็อยากจะไปสวรรค์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมัน เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาได้มาก็เป็นความสุขแต่ไม่ได้มองข้ามไปไม่ได้มองต่อไปอีกทอดหนึ่งว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปสักวันหนึ่งก็ต้องจากมันไปเวลาพัดากจากกันเวลานั้นก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนให้เห็นภาพรวมให้ได้ให้เห็นผลสุดท้ายที่เราต้องการผลสุดท้ายที่เราต้องการก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือความสุขอย่างยิ่งมรลมมาสุขการที่จะได้พระนิพพานก็ต้องไม่มีอะไรต้องไม่ยึดไม่ติดกับอะไร ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราเลยสัพเพรมาอนัตตานี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมและเหตุที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นก็คือการเจริญมัชที่พระเจ้าทรงสอนมัชที่มีองค์แปด คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปรูความเห็นชอบความด âm ฤตชอบสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวการกระทําชอบวาจาชอบอาชีพชอบสัมมาวาญโมวความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือธรรมที่เรา ต้องสร้างขึ้นมาเพราะทำเหล่านี้จะเป็นเหมือนบันไดหรือเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหลงมายึดมาติดมารักมาโวงได้ถ้าเราไม่มีมักที่มีองค์แปนี้เราจะไม่มีเครื่องมือที่จะถอดถอนใจให้ออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้มรรคปนี้ท่านก็แสดงไว้สองลักษณะเวลาแสดงให้กับพระภิกษุผู้ที่ได้ออกบวชแล้วท่านก็จะแสดงเป็นศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคปนี้เองศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวะ สมาธิก็สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาสา ม, มาทิฏิสัมมาสังก ป, ปความเห็นชอบความดําริชอบนี่คือองค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญาก็คือมรแตดนี่ผู้ที่บวชแล้วต้องบาเพ็ญ ไตสิกขาเนี่ยไสิกขาก็คือวิชาสาสิกขาก็แปลว่าวิชาหรือศึกษาศึกษา3วิธีนี้ปฏิบัติ3วิธีนี้แล้วก็จะสามารถปลดเรื่องจิตใจให้ออกจากอำนาจของอำนาจดึงดูดของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ ถ้าเป็นถ้าทรงสอนกับคารวะญาติโยมผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพระองค์ก็ต้องเติมทานเข้าไปอีกข้อหนึ่งนอกจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สอนให้ทําทานให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะถ้าไม่สละทรัพย์ก็จะ ติดอยู่กับทรัพย์นั้นจะไม่สามารถที่จะออกบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้เต็มรูปแบบได้ตลอดเวลาจะทำได้ก็ในวันธรรมศวรรณวันพระที่ศรัทธาญาติโยมจะมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็จะเข้าวัดเพื่อมาบำเพ็ญ ทานศีลภาวนาหรือทานศีลสมาธิปัญญานี่เองมาทําบุญใส่บาตรบริจาคทรัพย์บริจาคข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดตามกําลังแล้วก็เจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็จะปฏิบัติได้เฉพาะในวันที่ไม่ต้องไปทํางานทําการธรรม า, ากินซึ่งก็จะไม่พอเพียงต่อการที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปในพบนี้ในชาตินี้ได้อย่างมากก็จะได้ก็คือได้สะสมนิสัยไว้เท่านั้นนิสัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศล เวลาตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ยังจะมีนิสัยนี้ติดตัวอยู่ก็จะกลับมาทําบุญทำทานกลับมารักษาศีลกลับมาภาวนาอยู่แต่ก็จะทำได้ไม่มากผลที่จะได้ก็อย่างมากก็คือได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เพราะว่าไม่สามารถะละอุปทานปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนั่นเองพอวันธรรมดาวันที่ไม่มาวัดก็กลับไปยึดไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างไปหาเงินหาทองไปดูแลษาเงินทอง ไปหาความสุขทางตาหูจมูกล่้นกายใจก็ยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผดธภะอยู่พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำทานทำทานถ้าเต็มรูปแบบก็ต้องสละหมดแล้วก็จะได้ออกอยู่แบบนักบวช เลือกเป็นนักบวชสุดแท้แต่กรณีสมัยนี้ญาติโยมที่เป็นหญิงอาจจะไม่มีวัดวาหรือไม่มีสถานที่ที่จะสนับสนุนในการบวชได้อย่างกว้างขวางเหมือนกับญาติโยมผู้ชายที่สามารถที่จะออกบวชและปฏิบัติธรรมได้ในเต็มรูปแบบ สำหรับยาติโยมนั้นก็ต้องหาสถานที่ที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าหาวัดไม่ได้ก็อาจจะต้องหาบ้านหรือหาสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญถ้าได้ออกแล้วเท่านั้นถึงจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติได้ตลอดเวลา ถ้าได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบตลอดและได้ปฏิบัติตลอดเวลาก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้แล้วในมหาสติประฐานสูตรที่ทรงตรัสว่าถ้าปฏิบัติสติสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องผลจะต้องได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพระอนาคามีถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ภายในเวลาเจ็ดวัน ถ้าไม่ได้ภายในเจ็ดวันก็ภายในเวลาเจ็ดเดือนถ้าไม่ภายในเจ็ดเดือนก็จะต้องได้ภายในเจ็ดปีอย่างแน่นอนถ้ามีการปฏิบัติเต็มรูปแบบมีการปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นการปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับนี้ปฏิบัติอย่างไรก็คือพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะต้องปฏิบัติก็คือ การเจริญสตินั่นเองต้องมีสติพอลืมตาขึ้นมานี้สติต้องทํางานแล้วถ้าบริกรรมพุทโธก็ต้องบริกรรมพุทโธไปถ้าเฝ้าดูร่างกายกายกะกตาสติเอาร่างกายเป็นที่จเจริญสติก็ต้องดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในอิริยาบถไหนกําลังทําอะไรพอลืมตาขึ้นมาก็จะ รู้ว่าอ๋อตอนนี้กาลังนอนอยู่แล้วพอจะลุกขึ้นมานั่งก็ต้องรู้แล้วว่ากาลังลุกขึ้นมานั่งพอยืนพอเดินไปทำภารกิจทางร่างกายก็ต้องอยู่กับการกระทําของร่างกายทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวถ้ามีการกระทําอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการปฏิบัติ แล้วก็คือเจริญสติที่เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคแนี่เองและเป็นองค์สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วมรรคองค์อื่นก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เช่นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สมาทิฏิสัมมาสังกัโปก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สัมมาวายาโมก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่เกิดถ้าไม่มีสัมมาสติเช่นถ้าไปดื่มสุราจนมึนเมาตอนนั้นก็จะไม่ถือว่ามีสัมมาสติสติไม่สมบูรณ์นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ พิจารณาปัญญาก็พิจารณาไม่ได้จะดำรงตนอยู่ในสัมมากัมมันโตก็ทำไม่ได้จะต้องไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจะดำรงสัมมาวาจาก็ทำไม่ได้จะต้องไปพูดอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนสัมมาอาชีวก็ไม่ได้มิจฉาชีพบ้างจะเดืมสุรา เพื่อที่จะได้ไปกับประกอบมิจฉาชีพได้ผู้ที่ดำรงสามมม า, าชีพนี้มักจะไม่เดื่มสุราเวลาไปทำงานทำการกันเพราะถ้าเดื่มสุราแล้วจะไม่สามารถที่จะทำงานสามมาอาชีพได้นี่แหละคือความสาคัญของสติที่พวกเรานี้จะต้องถือเป็นธรรมอันแรกในการปฏิบัติ พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเจริญสติเลยถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธลุกขึ้นมานั่งก็พุทโธพุทโธยืนก็พุทโธเดินก็พุทโธเข้าไปในห้องน้ําก็พุทโธล้างหน้าล้างตาก็พุทโธแปรงฟันก็พุทโธ อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธไปทำอย่างนี้ไปถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเต็มรูปแบบเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาแล้วพอเสร็จภารกิจของร่างกายก็ลุกมาก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมก็พุทโธไปถ้าใช้พุทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูเท้าที่เคลื่อนไหวไป ซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งนั่งกระพุทโธไปถ้าใช้พุทโธถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเด่นชัดที่สุดก็คือแถวบริเวณปลายจมูกหรือเนื้อริมหรือเหนือริออมฝีปากขึ้นมาให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นให้มีใจจดจ่ออยู่กับลม หรือจดจอออยู่กับคาบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะรวมกันก็ได้จะผสมกันก็ได้ถ้าเป็นจริตถ้าไม่ถูกจริตก็ไม่ต้องรวมกันแยกกันไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าจะบริกรรมพุทโธก็พุทโธทมันไปเพียงอย่างเดียวถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปอย่างเดียวอย่าไปรวมกันบางทีอยากจะบริกรรมให้เร็ว แต่ลมนี้มันช้าก็จะไม่สามารถทำได้เช่นบางเวลาจิตฟุ้งมากคิดมากถ้าพุทธเข้าโทรออกนี้มันมีช่องให้คิดมากก็เอาบริกรรมอย่างเดียวไปก่อนหยุดการดูลมไปแล้วก็บริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะกันไม่ให้ความคิดต่างๆปรากฏขึ้นมา หรือถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้อยู่ติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธไปก็แล้วกันถ้ามีการบริกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะจางหายไปเองไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอยากให้มันหายอย่าไปสนใจกับมันมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่เราจะพุทโธของเราไปพุทโธไปเรื่อยๆ หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปอย่าไปสนใจกับความคิดให้สนใจกับลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะจางหายไปเองถ้าเราไม่ให้ความสำคัญไม่ไปคิดกับมันไม่ไปคุยกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราอยู่กับฟุตโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะดึงใจให้เข้าสู่ สมาธิให้เข้าสู่ความสงบได้ในกรณีที่ดูลมลมก็จะลเอียดลงไปเบาลงไปจนถึงกับไม่สามารถเห็นลมได้ดูลมได้ก็ให้ดูผู้รู้แทนดูผู้ที่รู้ลมดูที่ผู้ดูลมให้อยู่กับผู้รู้ไปให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้อยู่กับการไม่มีลมยกับรู้อยู่กับความว่างไป ไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจอย่าไปปุงแต่งไปคิดว่าไม่มีลมแล้วเราจะตายอันนี้จะทําให้จิตนี้ถอนออกมาเพราะความกลัวตายแล้วก็จะกลับมาหาลมหายใจลมที่ละเอียดก็เลยต้องอยากตามจิตที่ที่อยากตามจิตที่ถอนจากความละเอียดมาสู่ความอยาก ถ้าเราไม่ไปสนใจเมื่อไม่มีดมให้รับรู้ก็ไม่ต้องรับรู้มันให้รู้กับความว่างไปให้รู้กับผู้รู้ไปให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้ว เ, เดี๋ยวมันก็จะวุบลงไปแล้วก็จะนิ่งสงบสบายถึงอุเบกขาถึงอัปปนาถึงสักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปบังคับมันตอนนั้นถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไร เป็นเวลาที่เราได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนั้นเหมือนกับเราไปาถึงที่พักแล้วเราก็พักผ่อนหลับนอนไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าจิตจะพักได้เต็มที่หรือว่ากำลังของสตินั้นอ่อนลงจิจก็จะถอนออกมา เราออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผธถะมะมารับรู้กับสั ง, สงขารความคิดปรุงแต่งสัญญาวความจำได้หมายรู้ถ้าเราอยากที่จ ะ, จะเจริญปัญญาก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการจเจริญปัญญาคือตอนที่ใจออกจากสมาธิมาใหม่ๆเพราะตอนนั้นกิเลสตัญหา ยังไม่มีกำลังเพราะตอนที่อยู่ในสมาธินั้นถูกตัดกำลังถูกสมาธินี้กดเอาไว้เวลาออกมาจากสมาธิใหม่ๆจึงไม่มีกำลังมากเหมือนตอนก่อนที่จะเข้าไปในสมาธิตอนนั้นถ้าจะพิจารณาทมก็จะไม่มีกิเลสมาต่อต้านจะไม่มาสร้างอารมณ์หดหูหรืออารมณ์ที่เบื่อนายไม่อยากจะพิจารณา เพราะธรรมที่เราต้องพิจารณานี้เป็นธรรมที่กิเลสตันหาไม่ชอบให้พิจารณานั่นเองเช่นให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้พิจารณอาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้พิจารณาอาหารปฏิกูลและสัญญาให้ดูความไม่สวยไม่น่ารับประทานน่าดื่มของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เวลานั้นอนะเป็นเวลาที่เหมาะต่อการเจริญปัญญาเพราะจะไม่มีกิเลสมาต่อต้านนั่นเองก็พยายามพิจารณาเป้าหมายของการพิจาราก็เพื่อให้ดึงข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเก็บไว้ในใจให้อยู่ใกล้ใจเวลาที่จะใช้ต่อสู้กับกิเลสจะได้ดึงออกมาได้ทันทีทันควันปัญญานี้ก็เป็นเหมือนกับ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนั่นเองเวลาที่เราจะทําศึกสงครามกับข้าศึกศัตรูถ้าเราไม่สะสมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเราเวลาเกิดมีการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเราจะไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้เราจึงต้องสะสมอาวุธเหล่านี้ให้อยู่ใกล้ตัวเราพอถึงเวลาก็เอาออกมาใช้ได้เลย ี่การเจริญปัญญาในขั้นนี้เรียกว่าเป็นการสะสมปัญญาก็ได้สะสมความรู้ต่างๆที่เราจะเอามาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่มันออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมานั่นเองเวลาเกิดการมารมจะได้ดึงสุภาออกมาได้เวลาเกิดความกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดึงมันออกมาดึงปัญญาออกมาได้ เวลากลัวความตายก็ดึงปัญญาออกมาได้แต่ถ้าเราไม่ได้สะสมปัญญาไว้ในใจเวลาเกิดอสุกเกิดการมลลมขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เวลาเกิดอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอาหารที่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะรับประทานไม่ควรจะดื่มก็จะหยุดมันไม่ได้เวลาเกิดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ก็จะไม่มีปัญญามาฆ่าความกลัวเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่สะสมปัญญาไว้เพื่อให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้มันหลงไม่ให้มันเืวให้มันอยู่ในใจเหมือนกับที่เราท่องสูตรคูณเวลาที่เราจะใช้สูตรคูณเวลาที่เราจะใช้คำนวณคำนวณอะไรต่างๆในสมัยก่อนนี้เราไม่มีเครื่องคิดเลขเราไม่มีเครื่องคอมเหมือนสมัยนี้ ทำไมก่อนนี้เราต้องท่องสูตรคูณกันไว้พอเวลาที่เราต้องคํานวณทำอะไรเกี่ยวกับตัวเลขต้องบวกลบคูณหารเราต้องอาศัยสูตรคูณที่เราท่องไว้ในใจแล้วเราก็จะสามารถทำทางานในการคิดเลขต่างๆได้บวกลบคูณหารได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะเราจําได้จําสูตรคูณได้ ฉันใดถ้าเราอยากที่จะมีปัญญาเพื่อจะดับความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเราก็ต้องสะสมปัญญาไว้ในใจเราต้องจดต้องจามันในการพิจารณาอยู่เนืองๆนี้ก็เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนั่นเองถ้าเราไม่พิจารณาใจของเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นพอไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันก็จะเข้ามาสู่ในใจแทน แล้วเรื่องอื่นที่เราคิดกันมาตั้งแต่เกิดจนตายก็เรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเรื่องที่อยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรื่องที่เห็นร่างกายว่าสวยว่างามอยากจะได้เขามาเป็นคู่รักคู่ครองมันก็จะคิดอยู่อย่างนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะฆากิเลสตัณหาได้ มันมีแต่จะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสตันหาไปคิดไปในทางที่กิเลสตันหาต้องการให้คิดแล้วพอไปเจอของจริงเข้าก็จะต้องทุกข์ทรมานใจจะรับความจริงไม่ได้เวลาไปเจอความแก่ก็จะทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์เจอความตายก็จะทุกข์เพราะกิเลสไม่ได้สอนให้คิดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย กิเรสจะสอนให้เราคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายนี่แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาคือตอนที่เราออกจากสมาธิมาใหม่ๆเวลานั้นใจยังมีอุเบกขาอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งกิเลสตัณหาที่ ถูกสมาธิตัดกำลังลงไปนั้นก็จะเริ่มมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเข้ามาแทรกแทงการพิจารณาของเราได้แทนที่จะพิจารณาไตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาธาตุสีดินน้ำนมไพรพิจารณาอาหารเลยปฏิสูรแลสัญญามันก็จะเริ่มดอกให้เราไปพิจารณาความน่ารักน่าสวยน่างามอะ น่าสวยหน้าดูหน้ากินหน้าดื่มหน้ารับประทานขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟเครื่องดื่มอะไรต่างๆแทนที่จะคิดถึงอาหารเลยปฏิกูลสัญญามันจะไปคิดทางตรงกันข้ามกันถ้ามันเริ่มออกไปทางตัณหาแล้วเราก็ควรที่จะหยุดพิจารณา หยุดเจริญปัญญาแล้วกลับเข้ามาในสมาธิใหม่เพื่อที่มาตัดกำลังของกิเลสตัณหาและเพิ่มกำลังของอุเบคาขึ้นมาใหม่เพิ่มความอิ่มใจสุขใจให้แก่ใจเพื่อที่จะได้ออกมาทำงานทางปัญญาต่อไปก็เหมือนกับการทำงานทางร่างกาย ร่างกายเราก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารเวลาเราไปทํางานเราก็ทำแ8ดโมงถึงห้าโมงเย็นหรือแปดโมงถึงเที่ยงเราก็พักเที่ยงและพักรับประทานอาหารพักผ่อนร่างกายหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กลับมาทํางานต่ออีกสชั่วโมงพอถึงเวลาห้าโมงเย็นเราก็เลิ่มทางานเราก็กลับบ้าน กลับบ้านเพื่อจะได้พักผ่อนหลับนอนอาบน้ำอาบท้ารับประทานอาหารพอตื่นตอนเช้าขึ้นมาร่างกายก็จะมีกำลังวังชามีความสดชื่นพร้อมที่จะออกไปทำงานทำการต่อฉันใดการเข้าสมาธิก็เป็นการพักจิตใจนั่นเองเป็นการเสริมพลังของธรรมให้มีมากขึ้นก็คือความสุขใจอิ่มใจ ความเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็พอมได้กําลังนี้แล้วได้พักผ่อนเต็มที่แล้วค่อยออกมาพอออกมาก็ดึงมาพิจารณาตายรักต่อไปพิจารณาสิ่งที่เรายังรักยังยึดยังติดอยู่ยังคิดว่ายังต้องมีอยู่ยังอยู่ปราศจากมันไม่ได้อยู่ต้องพิจารณาให้เห็นว่ากําลังอยู่กับความทุกข์ไม่ได้อยู่กับความสุข อยู่กับลาบยศจตะเริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณนี้เป็นการอยู่กับกองทุกขไม่ได้อยู่กับกองสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองมันเป็นสุขเดียวเดียวสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพื่อที่จะได้หยุดไปพึ่งพาอาศัยมันให้ความสุข ก็คือต้องการละนั่นเองต้องการเข้าสู่ความไม่มีเพราะความไม่มีนี้เป็นความสุขที่แท้จริงความไม่มีนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเพราะมันไม่มีอะไรจะให้เสื่อมไม่มีอะไรจะให้หมดนั่นเองแต่การมีอะไรนั้นแ่ะมันจะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปแล้วถ้าเราพึ่งมันเราก็จะต้องทุกเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไป นี่คือการใช้ปัญญาให้มองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยดสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นปลายลักเราไปทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปยึดไปติดเขาอย่าไปพึ่งพาอาศัยเขาเพราะเราพึ่งเขาไม่ได้ตลอดเวลาเขาต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการหมดไป อย่าไปพึ่งเพราะใจเราไม่ต้องพึ่งเขาก็อยู่ได้ถ้าใจเราอยู่กับความว่างได้นี่เราต้องพยายามสอนใจฝึกใจให้หัดอยู่กับความว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงจะ อ, อยู่กับความว่างได้ก็ต้องตัดความอยากต่างๆตัดความโลภต่างๆให้ได้การจะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆได้ก็ต้องมีปัญญา มีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจห้ามใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆถ้ายังมีอยู่ยังไม่ได้จากกันก็ต้องอยู่แบบเหมือนกับจากกันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายนี้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนเกิดได้ตายจากกันแล้วอย่างที่เราคงได้ยินว่าให้ฝึกตายก่อนตายนั่นเองให้เรา ถืว่าเราตายแล้วร่างกายกับเรานี้จากกันแล้วตอนนี้มันอยู่ก็เรื่องของมันแต่เวลามันไปเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งมันแล้วเราไม่ต้องอาศัยมันแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเพราะเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายนั่นเอง ก็คือการที่เราไม่มีอะไรไม่พึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรจะไม่มีอะไรไม่พึ่งอะไรได้ก็ต้องมีมากแปดมีศีลสมาธิปัญญามีทานถ้ามียังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ต้องจัดการกับมันไม่พึ่งมันอีกต่อไปไม่อาศัยมันถ้ายังมีอยู่ก็อยู่กันแบบแบบแบบว่าได้จากกันแล้ว จะจากไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นร่างกายก็เช่นเดียวกันมันจะหมดไปเมื่อไหร่จะเป็นอะไรไปเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันแล้วไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยร่างกายเพราะเรามีสิ่งที่เราดีกว่ า, าเป็นที่พึ่งของเราแล้วนั่นก็คือนิพพานังปรมังสุญอย่างนี้ ความว่างใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่มีสมบัติเข้าไม่มีสมบัติอะไรต่างๆแล้วมีแต่ความว่างอยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายโดดเดี่ยวแต่อยู่แบบบอลลังสุขคังเพราะอยู่ด้วยความสมัครใจผู้ที่ต้องอยู่ด้วยอยู่อยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวปาสะจากอะไรเพราะถูกบังคับจากสถานการณ์ผู้นั้นอยู่แบบความทุกข์ เพราะยังไม่สามารถที่จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้เวลาไม่มีสิ่งต่างๆอยู่คนเดียวแทนที่จะมีปรมังสุขขังกับมีปรมังทุกขังก็เพราะว่าผู้ที่สร้างปรมังทุกขังนั้นไม่ได้ถูกทำลายไปนั่นเองผู้นั้นก็คือกิเลสตัณหาต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในใจดันั้นการไปอยู่ป่าอยู่คนเดียวของคนสองคนนี้จึงไม่เหมือนกัน คนที่มีธรรมไปอยู่ป่าคนเดียวนี้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสงบคนที่ไปอยู่ยังไม่มีธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเจริญสติไม่เคยเจริญปัญญาไปอยู่ป่าแล้วจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจอยู่คนเดียวแล้วรู้สึก ว, าว่าเหวเศร้าซร้อยงอยเงาแต่คนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญานี้จะอยู่อย่างมีความสุข จะไม่อยากจะอยู่กับใครจะไม่อยากจะมีอะไรเพราะความว่างนี้เป็นปรมังสุขขังนั่นเองนิพพานังปรมังสุญญงนิพพานังปรมังสุขขั ง, น, น, ง, ง, ขขงนี่แหละคือเป้าหมายของพวกเราในการที่เรามาทำทานกันมารักษาศีลกันมาภาวนากันมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา เพื่อที่เราจะได้มีพลังมีกำลังมีเครื่องมือที่จะตัดความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวฉุดลากเราให้เราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาที่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เขาเกิดการสูญมีเวลาที่เขาเกิดการดับไปนั่นเอง ถ้าเราทำลายตัวกิเลสตัณหาได้แล้วเวลาจะสูญในรายนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยจะอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาจะสูญก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้สูญจากมันได้ใจไม่เดือดร้อนใจมีปรมังสุขขังอยู่ในใจใจมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจเนี่ยใจจะอยู่ในภาพ ในสถานภาพนี้ได้ก็ต้องมีมรรคเป็นผู้พาไปนั่นเองมีทานศีลภาวนาเป็นผู้พาไปมีศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้พาไปดังนั้นผู้ที่บําเพ็ญผู้ที่ออกบวชนี้จะต้องถือทำทั้งสองชนิดนี้หรือซึ่งเป็นชนิดเดียวกันนี้คือมรรคแปดนี้เป็นทางแห่งการดําเนินเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติ ไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องรักษาศีลให้บอยสุดต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปแล้วก็เข้าสมาธิกับการพิจารณาปัญญาสลับกันไปเวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่พิจารณาให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่เฉยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เวลาออกจากสมาที่มาก็จเจริญตัญญ า, พ, า, า, นนออ า, าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อวัยวะสาสิบสองชิ้นเท่านั้นในร่างกายอันนี้ให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ มาจากธาตุสี่แล้วก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่ไปไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เป็นของดินน้ํามลมไฟเพราะยืมมาจากดินน้ามลมไฟนั่นเองยืมจากดินน้ํามลมไฟมาพมาปรุงแต่งให้กลายเป็นอาการสามสิบสองแล้วพออาการสามสิบสองเกิดอาพาธเกิดการแตกสามคีไม่ยอมทํางาน ก็จะล่มสลายสูญกลับคืนสู่ดินน้าหนมไฟไปนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องนำเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็สามารถดึงปัญญาออกมาใช้ได้เลยเพอเจอความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็เอาปัญญาออกมาใช้เวลาเกิดการมารมณ์ อยากจะเสพกามก็ดึงอสุภะออกมาใช้เวลาเกิดความอยากดื่มอยากรับประทานอาหารขนมนมเนยเกินความพอดีเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องดึงอาหารโดยปฏิกูลละสัญญาออกมาใช้เวลาหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็ต้องดึงอาการสามสิบสองออกมาใช้ดึงธาตุสีดินน้ำลมไฟออกมาใช้ ถ้าเรามีปัญญาเหล่านี้อยู่ในใจที่พร้อมที่จะใช้ได้ทันท่วงทีเวลาที่เกิดความหลงที่ที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดการมารมเกิดความกลัวต่างๆเกิดความอยากต่างๆก็จะได้ดับมันได้พอดับมันได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆมันก็จะหายไปใจก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป จะอยู่กับความว่างไม่ต้องมีอะไรอยู่กับปรมังสุขขังความว่างนี้เป็นปรมังสุขขังนั่นเองนี่แหละขอให้พวกเราอย่าลืมเป้าหมายอันนี้อย่าลืมอย่าลืมจุดประสงค์อันนี้ของการปฏิบัติของเราเราไม่ต้องการผลอะไรนอกจากการที่เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขกับเราเราสามารถ ให้ความว่างนี้ทำความว่างนี้ให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเวลาอยู่กับความว่างนี้มันแสนจะสุขแสนจะสบายแต่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เวลาอยู่กับความว่างนี้จะแสนทุกข์ทรมานเพราะความอยากนี้เองที่ทำให้ทุกข์ทรมานไม่ใช่ความว่างที่ทำให้ใจทุกข์ทรมานแต่ความอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้ใจทุกข์ทรมาน เราจึงต้องเห็นโทษของความอยากที่จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจของเราไม่ใช่การอยู่โดยที่ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพออระอรหันตาสาวกจะมีปรมังสุขขังได้ไงเพราะท่านอยู่แบบไม่มีอะไรนั่นเองท่านอยู่ได้เพราะท่านตัดตันหาความอยากต่างๆได้ แต่พวกเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราตัดไม่ได้เรายังต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเรายังต้องมีลาบยศสรรเสริญเรายังต้องมีร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาเราก็วยวายวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาทันทียิ่งถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี้ก็จะหมดกำลังจิตกาลังใจที่จะทำอะไรต่อไปนี่คือ สิ่งที่เราควรจะพิจารณาตลอดเวลาถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขที่แท้จริงเข้าสู่ความสุขที่ถาวรถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราไม่ได้ประวัติปฏิบัติเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆตาม ท, ที่เราปรารถนากัน แต่เราต้องการไม่ได้เราต้องการที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรให้ได้เท่านั้นนี่แหละคือเป้าหมายของพวกเราคือไม่ให้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะไม่ต้องมีอะไรถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ สร้างมรรคแปดนี้ขึ้นมาสร้างทานศีลภาวนาขึ้นมาสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมารับรองได้ว่าเราจะอยู่กับความว่างได้เราจะอยู่กับการไม่มีอะไรได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่งจึงขอฝากเรื่องของการสร้งเป้าหมายหรือดูจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่อการไม่มีอะไร เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมีอะไรนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพลิดพิจารณาเพื่อความสุขสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็อเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ได้ถามกันใครอยากจะถามยกมือขึ้นเลยนะจะได้ส่งมือใหม่ไปให้เวลาพูดให้พูดให้มันใกล้ๆปัดหน่อยจะได้เสียงดัง พระอาจารย์เจ้าคะ่ะเมื่อวานดิฉันนั่งสมาธิช่วงตอนสวดมนต์ทำบวดเย็นนะคะแล้วเกิดข้อสงสยัยแต่คําตอบก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบแล้วแหละแต่ก็อยากจะถามเมื่อวานตอนเย็นนั่งไปได้สักพักหนึ่งเขาปิดไฟหมดแล้วอะคะ่ะก็นั่งได้สักพักหนึ่งก็เห็นแสงพุ่งออกมาจากแถวพระประธานนะคะเป็นแสงเล็กๆกลมๆแล้วมารอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วสักพักดิฉันก็เข้าไปอี ก, อกที่หนึ่ง คือสว่างแล้วก็เย็นโล่งอคะค่ะไม่ทราบว่าแสงที่ที่เห็นนะ่ะคือแสงอะไรอะคะก็แสงนิมิตอยู่ละคือเวลานั่งสมาธินี่จะมีนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้แต่เราอย่าไปหลงมันก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเพราะมันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเรามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อาการที่เราจะเจริญปัญญาสิ่งที่เราต้องการ ผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความว่างความสงบความนิ่งความอิ่มความพอความเป็นอุเบกขาของใจเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่อันนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติสมาธิถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ควรที่จะภาวนาต่อถ้าเราดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธไป อย่าหลงตามรู้กับแสงหรือภาพอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้เพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็เหมือนกับเรานั่งดูที่หน้าจอทีวีดีๆนี้เองนั่งแล้วกิเลสตัณหามันก็ดูแล้วกิเลสตัณหามันไม่ตายแต่มันกลับจะฮึกเขิมเกิดกำลังเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าเราอยู่กับความว่างกิเลสมันก็จะหดตัวมันก็จะสงบตัวลงไป แต่ก็แต่ก็คือก็คือรู้ว่าค่ะมีสติยังกําหนดลมหายใจพุโทโธอยู่ใช่ก็ทําต่อไปค่ะแล้วก็มีวันนี้มาจนช่วงกลางวันตอนเที่ยงนั่งอยู่สักพักหนึ่งรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใจมันจะรวมกันเป็นหนึ่งหรือเปล่าสงบหรือเปล่าแต่รู้ว่ามีความสงบมากก็คือตรงช่วงกึ่งกลางระหว่างฐานตรงตรงช่วงเออเลยเหนือสะดือขึ้นมาประมาณประมาณนิ้วหรือสองนิ้วอะค่ะรู้สึกว่ามันจะนิ่งนิ่งมากแล้วก็มีแสงออกมา ได้ก็ให้มันนิ่งให้มันสงบก็แล้วกันส่วนแสงจะมีแล้วไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้มันนิ่งมันไม่คิดปรุงแต่งถึงอดีตอนาคตถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมีความสุขอยู่กับความว่างก็ถือว่าใช่ได้จนกว่าแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะถอนออกมาพอออกมารับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะรับรู้เรื่องความคิดปรุงแต่งก็ ดึงมันมาคิดในทางตายรักให้มันพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสมาเมื่อกี้นี้มันก็เป็นอันนี้จังไปแล้วมันหมดไปแล้วผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปยึดไปติดไปไปอยากให้มันปรากฏขึ้นมาถ้ามันจะปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏขึ้นมาเองถ้ามีเหตุมีปัจจัยแล้วก็ให้เราพิจารณาสิ่งที่เรายังยึดยังติดยังรักยังหวงอยู่ ยังทุกข์กับมันอยู่พิจารณาให้เห็นว่าไม่ช้า ก, ก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีการจากกันไปอถ้าเรายินดีให้เขาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราหวงเราอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าอยากทุกข์ก็รักไปหวงไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยต้องไม่รักไม่หวงค่ะ แล้วเวลานั่งสมาธิใจผดใจก็จะนิ่งปุ๊บทำไมพุทโธมันเร่งจังเร่งเอาเร่งเอาจนพุทโธแทบไม่ทันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้มันสงบเร็วๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะเร่งหรือจะไม่เร่งก็ถ้ามันอยู่กับพุทโธก็ใช้ได้อยา่ายมันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งต่างๆก็แล้วกันก็กลับมาติดขัดครับ เออที่ผมปฏิบัติทํามาก็ประมาณรักสามสิบปีได้ครับส่วนใหญ่จะนั่งแล้วก็จะหลับนะครับผมก็ <c oughs> แล้วก็อย่างเมื่อกี้นี่ก็ฟังหลวงพ่อเท่ก็ก็ตรงประเด็นเต้เลยครับแต่ว่าหลับบ้างตื่นบ้าง <c oughs> มันทํายังไงได้ครับที่ว่าทําให้จิตประตกคื อ, อ, อตื่นตลอดนะครับสติเรามีกําลังไม่มากพอนั่นเอง <c oughs> เวลาเรานั่งเฉยเฉยพอจิตมันจะสงบสติมันก็หมดกําลังมันก็เลยหลับไปถ้ามีสติแล้ว เวลาจิตสงบมันจะไม่หลับมันจะเข้าไปในสมาธิดังนั้นเราต้องฝึกสติอย่างที่ได้สอนไว้ว่าต้องฝึกตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องต่างๆนานานะให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดไว้เรื่องเดียวถ้าเราให้กำหนดอยู่กับพุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทาอะไรถ้าเราใช้ร่างกายเป็นตัวที่เรากาหนดให จิตตั้งสติอยู่เราก็ต้องเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรจนกว่าเราจะนอนหลับถ้าเราฝึกสติได้อย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะไม่หลับเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจะไม่หลับเสติต้องตั้งสติตลอดใช่ไหมครับว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรทุกระยาบททุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะทาอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้พุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าใช้ร่างกายก็ต้องเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปทุกทุกอิเลยาบทของการเคลื่อนไหวครับก็ตั้งสติอย่างเดียวแต่ว่าเจ็บจิตตรงไหนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะจิตจอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรก็จิตอยู่กับสตินั่นแหละสติตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะไปอดีตแปลอนาคตไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนถ้าอยากเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับเอ่อท่านั้นต้องใช้ปัญญาพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาว่าความเจ็บป่วยนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจ ใจไม่ได้เจ็บปวดไปกับร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งที่ห้ามมันไม่ได้มันจะเจบ็บจะปวดก็ปล่อยมันไปเหมือนกับเร า, าห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้ถ้าเราไม่ไปห้ามฝนฟ้าอากาศเวลาฝนฟ้าอากศ า, า, ากศเป็นอะไรเราก็ไม่เจ็บไปกับมันเช่นเดียวกับร่างกายถ้าเราไม่ไปห้ามมันไม่ให้มันเจ็บไม่ไปอยากให้มันเจ็บนี่เวลามันเป็นอะไรไปเวลามันเจ็บเราก็จะไม่เจ็บคือเราต้องปล่อยวางมัน ก็คือร่างกายรักษากันไปตามอาการตัดสภาพตามกำลังจิตแล้วก็รู้ไปรักษาใจไปรักษาจิตด้วยการปล่อยวาง อ, อย่าไปทุกข์กับร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่อมไม่เป็นอะไรถ้าจะเอาบุญกุศลนี่เรามานั่งกรรมฐานอะไรช่วยนี่พอจะได้ก็นี่แหละบุญกุศลสูงสุดนะเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่คือปัญญากรรมฐานก็คือปัญญานี่นั่งกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญา เพที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจโอกลับกับกับสาธุครับกลับเรียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมอาจจะมีปัญหาถามมากหน่อยครับคือเวลาผมภาวนาพุดโทนะครับพระอาจารย์มันเครียดมากเลยครับ คือภาวนาพุโทโธไปบางทีมันก็ง่วงบ้างใช่ไหมครับบอกไม่ง่วงบางทีภาวนาไปปุ๊บไปเจอแหม่มใช่ไหมครับคือคือความรู้สึกไปเห็นน่นนะอบอกไม่เอาภาวนาพุโทโธอย่างเดียวนะดึงมันอย่างเดียวดึงมาอยู่ตรงนี้รู้สึกเครียดมากครับอาจารย์ถ้าเปรียบกับเหมือนกับว่าเราสวดมนต์อะระหังสัมมาเนี่ยรู้สึกมันสดชื่นมากกว่า มันเป็นเพราะอะไรครับก็เปลี่ยนได้เพราะว่ามันจิตเรายังไม่ถูกจริญกับพุทธโธยังยังถูกจริญกับการสวดมนต์ก็สวดไปอ๋อครับคือสติเราอาจจะยังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงให้จิตอยู่กับคําเดียวมันยังอยากจะไหลไปกับหลายๆคํา <c oughs> ก็ไหลไปได้ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการภาวนาอยู่เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็สวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดก็ลอง ดูเอาแต่พุโทโธคาเดียวต่อไปก็ได้รหรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้แต่<ช>แตว่าถ้าถ้าเสร็จจากตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตตัวเองว่าคือบางทีพอนั่งนั่งทักนี่นะครับเราก็ดูลมหายใจก็ออกเออรู้สึกดีขึ้นมากคือตอนต้นนี้ความคิดมันมีกำลังมากเลยมันอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มันมาคิดกับบทสวดมนต์แทนก็ได้ครับผม หรือท่องพสูตรไปก็ได้ท่องสติปัฏฐานสูตรไปก็ได้ครับเรื่องที่สองครับก็คื อ, อที่ระอาจารย์พูดในเรื่องของการพระพากจากกันนะครับก็คือก็พยายามนึกตลอดเวลานะแต่ว่าพอนึกถึงใช้ปัญญาคิดในเรื่องของการพรดพากจากลูกซึ่งเรารักมากอาจารย์บางทีใจหายแวฝง เ, เราต้องตายจากกันจริงๆเลยครับเนี่ยคือความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือ พอใจเราไม่สงบไงถึงบอกว่าต้องพิจารณาตอนที่ใจออกจากสมาธิมาใหม่ๆตอนนั้นกิเลสมันจะไม่มีกําลังมันก็จะไม่สร้างความรู้สึกเสียววาบขึ้นมาผมไม่รู้เหมือนคนอื่นเหมือนผมไเหมือนกันทุกคนแหละถ้าใจไม่สงบพอคิดถึงเวลาที่เราจะตัองพัดพากสิ่งที่เรารักไปนี่มันจะเสียววาบขึ้นมา นะคิดถึงร่างกายเราต้องจากมันไปมันก็จะเสียววาขึ้นมาครับผมแต่ถ้าใจสงบแล้วความเสียวเนี่จะไม่มีเพราะความเสียวเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากนี่จึงต้องพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิมานะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะพิจารณาไปนจนกว่าเริ่มเกิดอาการเสียววาก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เหมือนกับหมอฟันเวลาจะถอนฟันนี่ต้องฉีดยาชาก่อน ถึงจะถอนได้พอคนไข้บอกเจ็บนี่ก็ต้องหยุดถอนก่อนก็ต้องฉีดยาชาเพิ่มอันนี้ก็เหมือนกันสมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาของใจเวลาที่จะถอนอุปทานความรักความห่วงนี่มันจะเจ็บมันจะเสียวแต่ถ้าเรามีสมาธิมันจะไม่เสียวมันจะไม่เจ็บมันจะรู้สึกเฉยเฉยอีกข้อหนึ่งครับคือเรื่องของการพิจารณาอสุภะนะครับก็คือ เจอใครนะครับสวยๆเนี่ยพยายามคิดเหมือนที่พระอาจารย์เทศอ น, นะครับมันไม่สวยมันไม่งามมันมีอาการสามสิบสองก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่บางทีเดินผ่านแป๊บเลยท่อาจารย์สัมผัสปุ๊บเนี่ยมันมาปุ๊บขึ้นมาเลยอะครับ<ม>อาจารย์<ม>คือถ้าไปเจออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนระ ง, งับให้ได้ก็อสุภาพเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามันไม่มีเราถึงต้องพิจารณามันบ่อยๆครับ เพราะว่ากำลังของสุภาพที่เราสะสมไว้ในใจนี่มันมีน้อยพอไปเจอสุภาพปั๊บมันถูกถูกเหยียบไปแล้วหายไปหมดเลยผมผมพิจารณาอย่างนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะจะใช้ได้ไหมคือพวกเห็นปุ๊บเนี่ครับสวยงามเนี่ยมันแป๊บมาเลยนะครับอาจารย์ตอนแรกบอกเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าเอาไปมาปุ๊บมันตามมันดึงมันกลับมา ภรรยาเราสมัยสาวๆมันก็อย่างนี้แหละมันก็ตึงๆอย่างนี้แหละอย่างนี้มันยานแล้วคือพยายามนึกอย่างคิดอย่างนี้ตลอดเวลาครับอาจารย์คือคือเรื่องนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ใครจะเหมือนผมไม่แต่ว่าอความรู้สึกอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นตลอดก็ <c oughs> ต้องเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทําให้คลายความกําหนัดยินดีคลายกามอารมณ์ ต้องพยายามเนคอยู่เรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนที่พูดแล้วให้มันเป็นเหมือนสูตรคูณน่ะพอจะต้องคูณเลขปั๊บมันก็โผล่ขึ้นมาเลยสองคูณสองเท่าไหร่มันจะได้คําตอบ ท, ทันทีเลยพอเห็นอะไรสวยเห็นงานงานปั๊บอสุภะก็ต้องมา ท, าทันทีเลยครับผมแค่นี้ครับขอบคุณมากมีสุด กลับมมรดการพระราชทานครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระผมได้พบเจอมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กแต่ยังเก็บความรู้สึกอึดอัดตันใจไว้นะครับก็คือไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับก็คือสมัยก่อนจะเป็นทุ่งนากับผมเดินผ่านทุ่งนาไปอีกทุ่งนาหนึ่งไปยังอีกทุ่งนาหนึ่งไปเจอล่มไม้ที่เป็นล่มพุทราใหญ่นะครับก็คือข้างในจะมี คนลักษณะเป็นรูปร่างใหญ่โตนอนอยู่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายใสยชุดเหมือนกับลูซี่นะครับแล้วก็มองหน้ากับผมอยู่ตอนนั้นกับผมประมาณเจ็ดขวบครับแต่กับผมก็ได้แค่ยืนมองเขาก็มองหน้าแล้วก็เดินผ่านไปช่วงนั้นเวลาประมาณหกโมงเช้าแต่หลังจากกับผมเดินทางกลับมาทางเดิมประมาณสี่โมงเย็นปรากฏว่าไม่เห็นแล้วครับก็เลยอยาก จะสอบถามบาอาจารย์ว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นผู้ผีปีศาจหรือว่าอะไรยังไงขอรับอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปปรุงแต่งให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ามันเป็นอย่างที่เราเห็นแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันหายไปแล้วถ้าไปมีความสงสัยมีความอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นอะไรก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ยั้ต้องเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับใจของเรามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันให้ปล่อยวางถ้านั้นเองเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูเสร็จแล้วหนังจบแล้วก็ผ่านไปครับผมส่วนมากก็จะเห็นแต่ในนิมิตในความฝันก็มีมันก็เหมือนกับฝันอ่ะเวลาฝันตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดไป ไม่ต้องไปเอามาเป็นสัญญาอารมณ์ถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเห็นซากศพนี่มันเป็นประโยชน์ปับใจเพราะมันจะเอามาฆ่ากิเลสได้ก็เอามาเจริญบ่อยๆต่อถ้าเห็นเป็นซากศพเห็นโครงกระดูกของหญิงของชายก็เอามาพิจารณาต่อต่อไปเวลาเห็นหญิงเห็นชายก็พยายามให้เห็นเห็นโครงกระดูกเห็นซากศพของเขาถ้าอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์เพราะมันจะทําให้เราปรงได้ ครับผมเพราะว่าตอนนั้นมีหนังจาดจักวงวงเรื่องพระเวสสันดรแหละครับตอนแรกยังไม่รู้จักก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนพระเวสสันดรหรือเปล่าครับก็ <c oughs> ไม่ต้องไปกังวล น, นะจะเป็นไม่เป็นก็มันเป็นก็มันก็เป็นไปแล้วถ้ามันไม่เป็นมันก็ไม่เป็นไปแล้วครับผมกราบขอบพระคุณครับ ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากผู้ขอไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งหากญาติเราที่เขาไปอยู่บนเทวโลกเขาเคยได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆเขาสามารถมาสอนธรรมเราในฝันหรือในสมาธิได้หรือไม่มาแค่แนะนำและนำเราไปเจอครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนและเขาก็จะมาคอยเตือนให้เราปฏิบัติ มันจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่มันเกิดหรือไม่เกิดนั่นเองถ้ามันเกิดก็แสดงว่ามันได้ถ้ามันไม่เกิดก็แสดงว่ามันไม่ได้ข้อที่สอง ยาที่อยู่บนเทวโลกแจ้งเราว่ามีสมบัติของเขาอยู่บอกให้เรานำไปขายเราแบ่งกําไรไว้ใช้ได้แต่จุดประสงค์ของเขาต้องการให้เราไปทำบุญแบบนี้เขาจะได้บุญไหมคะเพราะเป็นของของเขาและหากว่าเขาได้รับบุญนี้เราจะได้ถือว่าเราร่วมบุญกับเขาไหมคะ ส่วนเราเมื่อได้ส่วนกําไรก็นําไปทําบุญเช่นกันค่ะเขาก็จะได้บุญเนที่เกิดจากการให้ที่เรียกว่าทานเราก็จะได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นอันนี้เป็นบุญที่ต่างกันแล้วเราก็จะได้รับบุญถ้าเราเอาเงินกําไรที่เขาให้เหล่านี้ไปทําเราก็จะได้บุญอีกก้อนหนึ่งก็คือทานคําถามต่อไปจากคุณ ว, วัุวัตรขณะที่จิตออกจากสมาธิ เริ่มรู้สึกนึกคิดแล้วหยิบกายมาพิจารณานิมิตมักแสดงรูปกลายสภาพเป็นของแตกในรูปลักษณะที่เราไม่เข้าใจได้ทันในขณะจิตจนนิมิตนั้นแตกหายสูญไปหมดกว่าจะเข้าใจต้องมานั่งพิจารณาทบทวนอีกครั้งหลังออกจากสมาธิ เช่นสภาพกายระยิบระยับย่อยไปเป็นผงเป็นการกายสภาพไปคืนสู่ดินคำถามข้อที่หนึ่งการที่จิตเราพิจารณากายภายนอกแล้วจิตตามรู้การกลายสภาพสูญไม่ทันในขณะนั่งสมาธิหลับตามาเข้าใจภายหลังลืมตาแล้วควรไม่ควรผิดถูกอย่างไรครับก็ควรจะเอาภาพของร่างกายนั้นเข้ามา เปรียบเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องโอปะนะอิโกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นให้เอามาใช้กับร่างกายของเราเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายของเราและร่างกายของคนที่เรารักเราห่วงเรารักใครเราห่วงเราไม่อยากให้เขาตายไปเราก็ต้องเอาภาพของความตายของเขานั้นมาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆจนกระทั่งเรา ยอมรับว่าเขาต้องจากเราไปเขาต้องตายจากเราไปนี่คือการเจริญวิปัสสนาต้องเอามาใช้กับตัวเรากับบุคคลที่เรารักเราห่วงเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ทุกข์กับการตายของเขาด้วยการตายของเราข้อที่สอง การพิจารณากายภายนอกนี้จะมีมาแสดงให้เห็นในหลายลักษณะก่อนไปจบสู่สภาพศูนย์หรือแตกสลายแต่จิตก็ไม่ยอมเข้าสู่ความว่างถือว่าการภาวนานี้ย่มอยู่กับที่หรือเปล่าหรือจิตกำลังเรียนรู้กายภายนอกครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่ห้องสอบในการพิจารณานี้เป็นเหมือนการทาการบ้านการเตรียมตัวไว้ก่อน เราต้องไปเจอสภาพที่เราจะต้องถูกบังคับให้ปล่อยวางร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นเช่นเราทุกข์กับร่างกายของคนนั้นคนนี้เพราะเรารักเราห่วงเราหวงเราอยากให้เขาดีอยากให้อยู่ไปนานๆแต่ตอนนี้เขากำลังจะตายอย่างนี้ถ้าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราเอาความตายนี้มาพิจารณาจนเรายอมรับและปล่อยวางเขาได้ ความทุกข์ภายในใจของเราก็จะหายไปแล้วใจของเราก็จะว่างจากเขาใจของเราจะไม่วิตกไม่กังวลไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับความเป็นความตายของเขาหรือของเราเราต้องมีข้อสอบก่อนใจมันถึงจะผ่านข้อสอบได้เพราะถ้าผ่านข้อสอบได้ใจก็จะว่างที่ยังไม่ว่างเพราะว่ายัางไม่ได้ทำข้อสอบตอนนี้ยังเป็นการเพียงแต่เป็นการทาการบ้านเป็นการเตรียมข้อมูลไว้ เตรียมอาวุธอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ไว้ต่อสู้กับกิเลสตันหาเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณชีวิตอิสระ มีคนมาแนะนำให้ทาบุญและนั่งสมาธิเขาบอกว่าทาแล้วรวยเมื่อรวยแล้วก็เอาเงินไปทำบุญ<ม>เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา<ม>พร้อมยกตัวอย่างพระวัดดังๆว่าที่มีคนมาทำบุญที่วัดจํานวนมากๆ<ม>ทั้งที่ไม่ต้องออกไปเรียลายเลย<ม>แต่ผลจากการนั่งสมาธิจะเรียกเงินทองได้แล้วทำไม เขาคงถามว่าจริงหรือไม่ที่นั่งสมาธิแล้วจะรวยรวยปานนี้เราก็รวยแล้วชเราก็ยังขอทานอยู่ทุกวันี้คำถามข้อต่อไปจากคุณโกสุม การปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาแยกรูปและนามได้บางครั้งแต่จิตไม่เคยรวมสักครั้งปฏิบัติมาถูกทางไหมคะก็ยังไม่ปล่อยอย่างเต็มที่นั่นเองเช่นเวลาเรานั่งแล้วเกิดความเจ็บปวดแล้วเราปล่อยมันไม่ไปยุ่งกับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยมันหายมันไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเราปล่อยมันจริงๆจิตเราก็จะรวม ถ้ายังไม่รวมก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยคำถามต่อไปจากคุณแบล็กถ้าเราแผ่บุญให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติเขาจะได้รับบุญนั้นหรือไม่หรือทำอย่างไรถึงจะแผ่บุญให้เขาเหล่านั้นได้คะการจะแผ่บุญเราก็ต้องมีบุญก่อนดังนั้นเราต้องทำบุญการสร้างบุญที่ที่นิยมใช้ในการแผ่ก็คือการทำทาน อย่างวันนี้ญาติโยมมาทำทานนะตอนนี้มีบุญนะนี่อยากจะไปแผ่ให้ใครก็แผ่ได้แบ่งให้ใครอุทิศให้ใครก็ได้แต่ผู้ที่รับก็อาจจะรับหรือไม่รับก็ได้อยู่ที่ฐานะของเขาถ้าเขาเป็นขอทานมารอรับอยู่เขาก็จะรับไปถ้าเขาเป็นเศรษฐีเข้ารับรู้เขาก็จะอนุโมทนาเหมือนกับเอาเงินให้ขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ดีใจไม่เสียใจ ให้มาก็ขอ บ, ขอบใจน้ำใจของผู้ให้แต่ไม่มีผลกระทบต่อผู้รับแต่ถ้าเป็นขอทานนี่มีผลกระทบมากเพราะผู้รับนี้กำลังหิวได้เงินนี้ก็จะได้ไปได้บุญก้อนนี้ก็จะได้ไปซื้ออาหารมารับประทานานั้นอยู่ที่สถานภาพของผู้รับว่าเข้าอยู่ในสถานภาพใด คำถามต่อไปจะมีผู้ฝากถามมาค่ะหลวงพ่อเขาถามว่าเวลาถือสีแนแต่อะคะ่ะอย่างเรื่องเครื่องนอนอะคะ่ะอย่างที่นอนจะนอนเป็นแค่ปูเสือ่อหรือผ้าบางๆได้แต่ถ้าอย่างผ้าห่มอะคะ่ะถ้าเกิดเขาหม่มผ้านวมอะไรเงี้ยค่ะได้หรือเปล่าคะเพราะเขาหนาวได้จะห่มหน า, น า, าๆอะไรแบ้ถ้าห่มกันหนาวก็ได้ต้องดูแลรักษาร่างกายให้เป็นปกติสุข ถ้านอนหลับเพื่อเป็นการปันการปฏิสุธ์ของร่างกายนี้ทําได้เช่นถ้าพื้นมันเย็นแล้วนอนแล้วมันทำให้ไม่สบายก็เอาผ้าหนุ่มหรือผ้าห่ามหานมหาๆ ม, มาปูเพื่อการความเย็นนี้ก็ทําได้และถ้าอย่างเขามาบวชครามที่วัดเขาก็พกผ้ามาด้วยอีกหลายๆผืนเนี้ค่ะได้ไหมคะได้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ามาเพื่อบำรุงบำเรอความสุข น, นั่นเองมาเพื่อบำบัดทุกมารักษาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำได้โม่คาถามจากทางบ้านค่ะมีใครอยากจะถามไหงมงทางนี้อายกมือละทางด้านหลังนี่ส่งไมโครโฟนไปให้หน่อย อ่าสภาวะที่หนูปฏิบัติอยู่อ่ามันรู้รู้แบบบางทีก็ละเอียดบางทีก็หยาบรู้แค่สองสภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันมันเข้าในใจไม่ได้อะค่ะหมายถึงยังไงเข้ า, าในใจไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าอารมณ์กโกรธอย่างเงี้ยค่ะเวลามีเรื่องกโกรธหรือว่าดีใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ค่ะอ๋อ ก็ความอารมณ์ต่างๆมันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแหละเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็โกรธเราก็เสียใจหรือเราวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระเจ้าสรุปก็คืออารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าอารมณ์ไม่ดีนี่ที่เป็นทุกข์นี่เกิดจากความอยากทั้งนั้นแต่มันเข้าไม่ได้ค่ะมันเข้าไปที่ไหนในใจอะ่จะจะเข้าไปทาไมล่นะ <laughs> ม, มันจะให้มันเข้าไปทําไมล่ะมันก็อยู่ในใจอยู่แล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ปฏิบัติถูกใช่ไหมคะคือถูกยังไงล่ะก็คือรู้ค่ะดูแค่ตัวรู้ใช่ไหมคะคือถ้ารู้แล้วปล่อยวางมันได้ก็ถูกคือไม่ไปวุ่นวายไปกับมันค่ ะ, ะมันจะมีอารมณ์อย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปค่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเราสักแต่ว่ารู้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ค่ะก็ถูกค่ะแต่ไม่ใช่รู้แล้วก็อยากจะดื่มกาแฟก็ไปชงกาแฟมาดืม่มอย่างนี้ไม่ถูกว่าถ้าอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดืม่มค่ ะ, ะบางทีบางทีถ้ามันรู้สึกหนักหนักหนูก็กกจะ พ, พิจารณาดูขอว่าสิ่งที่เกิดที่ทําให้ใจมันหนัก อ, ะอ่ะคือว่ามันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเพราะอะไรต้องไม่มต้องต้องไม่ไปแก้ด้วยการไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาแก้ต้องแก้ด้วยปัญญาหรือทำนั้นค่ ะ, ะไม่ใช่ไม่สบายใจก็ไปช็อปปิ้งอย่างงี้ อย่างนี้ไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ก็ให้ดูว่ามันต้องมีอะไรทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราค้นหาเจอเราก็ละต้นเหตุนั้นมันก็จะหายถ้าไม่หายก็ทนอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดแรงเองแล้วมันก็จะหายไปเองแต่อย่าไปทำอะไระอย่าไปช้อปปิ้งอย่าไปดูหนังอย่าไปกินเหล้าเมายาเพื่อมาแก้อารมณ์ที่ไม่ดี อันนี้ไม่ใช่วิธีสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ต้องเฉยต้องรู้เฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเองถ้าทนไหวถ้าอยากจะให้มันดับเดี๋ยวก็ต้องใช้ปัญญาค้นหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเข้าใจน ะ, ะมีใครอยากระทมอีกไหมจะนับถอยหลังแล้วนะ ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุบความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด